นันจะต้องผู้ที่ศึกษาพระธรรมคําำคำสอนถูกต้องนั้นจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนอ่นนะกายกรรมต้องเป็นกุศลมากขึ้นวจีกรรมต้องเป็นกุศลมากขึ้นมโนกรรมต้องเป็นกุศลมากขึ้นหิเรโอตาปะจะต้องเกิดบ่อยขึ้น น, นะถ้าหากว่าหิเรโอตาปะไม่ค่อยเกิดแสดงว่าผิดพลาดแล้วล่ะ น, นะบางคนเนี่ยคล้ายๆกับพระเนนสมัยบางองค์ยังไม่ทันบวชเนี่ยโอ้ไอ้ชั่วกลัวบาปหน้าดูเลย พอบวชเข้ามาแล้วถ้าไม่อาชัวร์กลัวบาดเพิ่มขึ้นเนี่ยแสดงว่าการบวชนี่ผิดพลาดต้องมีที่ผิดพลาดจุดใดจุดหนึ่งอย่างแน่นอนเพราะว่าทุกอย่างในโลกนี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะ <c oughs> สิ่งที่เหมือนเดิมมีไหมนอกจากนิจจา ว, วิปปลาดตอนนั้นเองดู ว, ว่าเหมือนเดิมสภาพจิตของเราถ้าศึกษาพระธรรมคําสอนถ้าไม่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นก็แสดงว่าอาจจะ ก, กินยาไม่ถูกโรคแล้วล่ะ หรือว่าต้องมีปัญหาจุดใดจุดหนึ่งความเข้าใจเราต้องบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างแน่นอนเพราะว่าธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอ่าโพชิ์ชงเนี่ยเป็นอย่างไรโพชิ์ชงก็หนึ่งสติสามโพชิชงสองวิริยะสามโพธิ์ชงอ่าธรรมวิจยัยสามโพชิ์ชงแล้วอ่าจะมีอะไรต่อพอมีธรรมวิจัยแล้วจะมีอะไรต่อวิริย ะ, ยะสามโพธิ์ชงถ้ามีวิริยะสามโพธิ์ชงอะไรจะเกิดอึ ปีตินะอย่าง น, น้อยที่สุดนะศึกษาพระธรรมเนี่ยจะอิ่มใจขึ้นก็เก้า น, นะถ้าหากว่าปีติไม่ค่อยเกิดเลยมันแห้งแล้งเหมือนกับว่าแผ่นดินที่ฝนไม่เคยตกมาเลยนะเมื่อสิบปีที่แล้วเหือดแห้งยังไงปีนี้ก็เหือดแห้งเหมือนเดิมทั้งที่ฝนก็ตกบ่อยนะดูท่าเมฆก็ตั้งเข้ามาเรื่อยแสดงว่าฝนอาจจะไม่ได้ตกแต่ว่าตั้งเข้าเฉยๆศึกษาพระธรรมก็เหมือนกันถ้าเราศึกษาระยะนานขึ้นสภาพจิตเราไม่อ่อนโยนขึ้น เมตตาเราไม่เกิดมากขึ้นก็แสดงว่าผิดพลาดฝนตั้งเขาเฉยๆการศึกษาพระธรรมก็ดูเหมือนกับฝนตั้งเขาแต่ไม่ถึงกับตกเพราะยังไม่สามารถที่จะทำให้จิตใจชุ่มเย็นได้พระองคุลิมาเนี่ยเมื่อก่อนไม่เคยมีการุณาเลยใช่ไหมตอนที่ฆ่าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าศพเนี่ยไม่มีการุณาแม้แต่นิดเดียวแต่พอท่านบวชปั๊บท่านเดินไปบิณทบาทก็บอกว่าครั้งนั้นเวลาเช้า ท่านพระองค์คลิมานี่ครองอันตรวาสกแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปบินธบาทอย่างพระนครสาวัตถีกําลังเที่ยวบินทบาทตามลําดับตรอกอยู่ในพระนครสาวัตถีได้เห็นสตรีคนหนึ่งมีคันแก่นัก น, นะมีคันแก่หนักนะเศร้ามองหนอคือเห็นแล้วเกิดความคิดขึ้นว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยย่อมเศร้าหมองหนอสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเศร้ามองหนอนเห็นแล้วกรุณามันเกิดนะ เห็นเลยโอ้โหเห็นสภาพของคนท้องซึ่งคือปกติเนี่ยน ะ, ะใครเห็นพระองค์คลิมาเดินบินธบัตจะกลัวงั้นผู้หญิงวันนี้ก็กลัวเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่รู้จะหนีไปยังไงอ่ะนะทุรนทุรายทุรักทุเลเต็มทีอ่ะก็เห็นหุ้ยมันหน้าสังเวชหน้าสงสารจริงๆว่างั้นครั้งนั้นท่านพระองค์ุลิมาเที่ยวบินทบาตในพระนครสาวัตถีเวลาปัจฉาพัทกลับจากบินธบาตแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งหนะ้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กลับทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวรกาศเวลาเช้าข้าพระองค์ครองอันตรวาศกถือบาทและจีวรเข้าไปบินทบาทย่างพระนครสาวัตถีกำลังเที่ยวบินทบาทตามลำดับตรอกอยู่ในพระนครสาวัตถีได้เห็นสตรีคนหนึ่งมีคันแกนหนัก ครั้นแล้วได้มีความดํางดีว่าสัตว์ทั้งหลายเศร้ามองหนาะเห็นแล้วกรุณามันเกิดขึ้นทั้งๆที่เมื่อก่อนเนี่ยขนาดคนขอร้องขอชีวิตโอ้ยลูกน้อยยังอยู่ที่บ้านปล่อยไปเถอะบอกไม่ได้ต้องฆ่าอย่างเดียวแต่มาครั้งนี้นี่เห็นคนท้องโอ้ยกรุณามันเกิดสงสารจับจิต จ, จับใจขึ้นมาเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนองค์คริมานถ้าอย่างนั้นเธอจงเข้าไปหาสตรีนั้นแล้วกล่าวกับสตรีนั้นอย่างนี้ว่า ดูก่อนน้องหญิงตั้งแต่เราเกิดมาแล้วจะได้รู้สึกว่าแกล้งปลงสัตว์จากชีวิตหามิได้ด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านขอความสวัสดีจงมีแก่คันของท่านเถิดพระองค์ุลิมานก็กราบทูลว่าข้าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญก็อาการอย่างนั้นจักเป็นอันฆ่าพระ อ, องค์กล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่เป็นแน่บอกว่าตั้งแต่เกิดไม่เคยคิดฆ่าเอ า, เอ า, เอ า, เอาโกหกแน่วางนันต้อง999ศพใช่ไหม เพราะข้าพระ อ, องค์แกล้งปลงสัตว์จากชีวิตเสียเป็นอันมากพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนองค์คลิมานถ้าอย่างนั้นเธอจงเข้าไปหาสตรีนั้นแล้วกล่าวกัะสตรีนั้นอย่างนี้ว่าดูก่อนน้องหญิงตั้งแต่เราเกิดแล้วในอริยชาติจะได้รู้สึกว่าแกล้งปลงสัตว์จากชีวิตหามิได้ด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านขอความสวัสดี จงมีแ ก, แกคันของท่านเถิด น, นะที่ถ้าใครเคยได้ยินพระสวดก็บอกว่ายะโตหงังภักินิอริยยะชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจปานังชีวิตาโวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสทิเตโหนตุโสธิขัสสะนะก็ว่าตั้งกระบวดมาเนี่ยไม่เคยคิดค่าเลยอ่ะไม่เคยคิดค่าด้วยสัจจะวาจานี้นะขอความสวัสดีจงมีแกเธอด้วย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 ไปดื่มไปทานนะจ่ะเรียกว่าคลอดลูกง่ายอ่าแต่ที่รู้จักเนี่ยหลายคนเนจ ะ, จะเคลอดลูกง่ายก็บอกโอ้ยอ่าท่านว่างั้นบอกว่าเขาจะเขาท้องอาจจะคลอดแล้วขอน้ําพระปะริสหน่อยออว่างั้นนะฮะบอกว่าเอมก็เขาเด็กนอนหลายเดือนผ่านไปแล้วก็ไปก็บอกว่าเขาคลอดง่ายวงั้นแล้วก็พาเด็กมาให้ดูแล้วโอ้โหเราเห็นแล้วเสียวเลยนะ <laughs>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 เก่าๆนี่จะมาตลอดเลยนะซึ่งท่านอธิบายไว้ในอัตถกถาก็บอกว่ามิใช่พระองคุลิมานี้เข้าไปครั้งแรกก็คำนี้ท่านกล่าวไม้เอาในวันที่เห็นหญิงพระองคุลิมานี้เข้าไปบินทบาตแม้ทุกวันเหมือนกันแต่พวกมนุษย์เห็นท่านแล้วก็ย่อมสะดุ้งบ้าง ย่อมนีไปบ้างย่อมปิดประตูบ้างบางพวกพอได้ยินว่าองค์ครีมานก็วิ่งเข้าป่าไปบ้างเข้าเรือนปิดประตูเสียบ้างไม่อาจหนีนะก็ยืนพินหลังให้บ้างนะถ้าหากว่ากลัวจริงๆก็ไม่รู้จะหนีปนไปไหนก็หันหลังให้พระเถระไม่ได้แม้ข้าวยาคูสักกระบวยหนึ่งแบบนั้นทัดแม้ทัพพีหนึ่งย่อมลำบากด้วยบินทบาทเมื่อไม่ได้ภายนอกก็เข้าไปยังพระนครด้วยคิดว่า เมืองทั่วไปแก่คนทุกคนเหมือนกันพอเข้าไปทางประตูนั้นก็มีเหตุให้เสียงตะโกนระเบิดออกมาเป็นพันๆเสียงว่าองค์คุริมาลมาแล้วองค์ุริมาลมาแล้วนะเขาบอกว่าตอนหลังก็พร ะ, ะพระผู้มีพระภาคก็ไม่อนุญาตให้เรียกว่าโจรมีชื่อเสียงบวชด้วยเนยอาศายัยเหตุนี้ก็บัญญัติไม่ให้โจรที่มีชื่อเสียงเนี่ยบวชมีปัญหามากเหมือนกันเขบอกว่าเมื่อองค์คุริมาลเนี่ยฆ่าคนอยู่ถึงพันคนย่อนหนึ่ง 1> 1, หนึ่ขาดหก็คือ999ก็มิได้มีความกรุณาสักคนเดียวแม้ในวันหนึ่งเพียงแต่เห็นหญิงมีคันหลงแล้วความกรุณาเกิดขึ้นได้อย่างไรตอบว่าเกิดขึ้นได้ด้วยกําลังแห่งบรรญชานะการบวชนี่เมื่อก่อนเป็นคนที่หยาบช้าพอบวชขึ้นมาปับ๊บนะอาศัยการบวชนั้นก็ทําให้กรุณาเกิดมากขึ้นจริงอยู่ความกรุณานั้นเป็นพลังแห่งบัญชาหัวเงินเป็นพลังแห่งการบวช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 ใครที่เคยเจริญเมตตานะคิดเมตตาใครสักคนก็คิดไม่ออกเขาเรีย <c> ก <oughs> ว่าจิตไม่ดําเนินอะ่ะมันแข็งทื่อไปอย่างนั้นนะเหมือนกับลงเล่นกีฬาที่ไม่ได้วอร์มก่อนอะ่ะอืดอาดยังไงบอกไม่ถูกความคิดเราก็เหมือนกันนะบางครั้งเนี่ยในการพิจรารณาพระธรรมสักหมวดหนึ่งเนี่ย <c oughs> อู้ยากเย็นแท้อนาย่อมปรากฏเฉพาะแต่ที่ที่ท่านยืนที่ดงแล้วข่าพวกมนุษย์เท่านั้นภาพเก่าๆนี่มาตลอดเลย อาการแห่งถ้อยคําก็ดีความวิการแห่งมือและเท้าก็ดีของคนที่มีความกลัวตายว่านะภาพที่ที่คนจะถูกฆ่าเนี่ยปรากฏหมดเลยว่าข้าพเจ้าเป็นขนเข็นใจข้าพเจ้ายังมีบุตรเล็กๆอยู่โปรดให้ชีวิตแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดนายดังนี้ก็มาสู่คลองมโนทวาราวัชนะนั้นท่านจึงมีความเดือดร้อนต้องลุกไปเสียจากที่นั้นคือนั่งต่อปั๊บเนี่ยภาพที่ไปฆ่าใครไว้นั่นนะ คนแล้วคนเล่าคนแล้วคนเล่ามันก็จะโผล่มาเรื่อยๆทางความคิดอ่ะอ น, นะถ้าหากว่าผู้ที่ศึกษาพระธรรมนะก็เหมือนกับพระพระภิกษุนั่นแหละถ้าหากว่าบวชแล้วไม่ได้ศึกษาพระวิ น, น, น, น, นันนยเ น, ย น, ยนยี่ยเสร็จแล้วตอนหลังมาศึกษาพระวินัยก็จะเป็นลักษณะนี้เหมือนกันคือนั่งแล้วภาพเหตุการณ์เก่าๆนี่จะมาหมดเลยสมัยที่ยังไม่ได้ศึกษาพระวินยัยไปล่วงละเมิดอะไรมาบ้างเนี่ยมันจะโผล่มาเรื่อยต้องชําระทีละทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่าง คนที่มีความผิดไปทำบาปทำอกุศลมาก็ลักษณะเดียวกันภาพเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้น อ, อย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรวิตกประเภทไหนวิตกที่เกิดร่วมกับโทษาเรียกว่าพยาบาทาวิตกก็เกิดขึ้นนะแล้วขณะนั้นน่ะมีเจตสิกอีกตัวหนึ่งเกิดร่วมด้วยเรียกว่ากุกุจะเจตสิกนะกุกุจะเจตสิกจะเข้ามาเลย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 ทีคิดไปมันจะวางแผนงานไปด้วยฟังไปด้วยดูเหมือนรู้เรื่องจบไปแล้วถามไม่ตอบไม่ได้สักอย่างมันจะเป็นลักษณะนั้นถซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เลยทําเรื่องนั้นให้เป็นเหมือนกับไม่มีไปก่อนคือเรื่องมีอยู่แต่ก็ทําให้เป็นเหมือนกับไม่มีปัญหาอันนั้นค้างคาอเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งคิดต่อไปอนะแล้วก็เจริญวิปัสสนาอาศัยการเจริญกรุณาที่มันเกิดขึ้นก็ เป็นบาทแห่งการเจริญวิปั ส, สนาต่อไปทีนี้หลังจากนั้นท่านก็กล่าวว่าครั้งนั้นท่านพระองค์คุลิมานหลีกออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนอันส่งไปแล้วอยู่ไม่นานนะักก็กระทําให้แจ้งซึ่งที่สุดพรหมจันทร์อันไม่มีธรรมะอื่นยิ่งกว่าที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิต ต, ต้องการ ถ้าหากว่าพระสมัยก่อนเป้าหมายของการบวชของท่านก็คืออรหัตตผลนะเป้าหมายของท่านคืออรหัตตผลเพราะฉะนั้นท่านก็บรร ล, ลุเป็นพระอรหันต์ด้วยปัญญาอันยิ่งนะเองในปัจจุบันแล้วเข้าถึงอยู่ได้รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์หยุดจบแล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีดังนี้ ท่านพระองค์คุลีมานก็ได้เป็นพระอารหันต์องค์หนึ่งในจํานวนพระอารหันต์ทั้งหลายนะที่เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านเราจะเห็นลักษณะอย่างหนึ่งว่าผู้ที่พิจารณาเรื่องอริยสัจนั้นนะคนนั้นจิตต้องไม่วิปติสารจิตจะต้องไม่เดือดร้อนใจจิตจะต้องไม่เป็นไปกับนิวรณ์ห้าอย่างใดอย่างหนึ่งะนั้นะส่วนใหญ่ถ้าใครที่อ่านพระสูตรบ่อยบ่อยอ น, นะก่อนที่พระผู้มีพระภาคจะแสดงเรื่องอริยสัจ จิตของคนนั้นจะต้องปราศจากนิวรณ์ก่อนถ้าหากว่าเป็นพระภิกษุพระผู้มีพระภาคเจ้าจะแสดงถึงเรื่องการเจริญฌานอย่างใดอย่างหนึง่งถ้าเป็นฆราห์ตพระผู้มีพระภาคเจ้าจะแสดงเรื่องอนุปูพิกถ า, านะให้จิตเข้าอ่อนก่อนก็เหมือนกับการจะย้อมผ้าได้ผ้าเก่ามาผืนนึงมาย้อมเลยได้ไห ม, ไมย้อมเลยไม่ได้ต้องเอาไปซักซะก่อน น, น, นะนแะ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 จะประหารกิเลสได้นั้นจะต้องเป็นกุศลจิตที่เกิดค่อนข้างต่อเนื่องมากนะเป็นกุศลจิตที่มีกำลังมีพลังมีอำนาจมากต่อเนื่องยาวนานอ่าจึงจะจึงจะสามารถตรัสรู้อริยสัจได้แต่ถ้าหากว่าสภาพจิตไม่ต่อเนื่องยาวนานระดับหนึ่งเนี่ยจะเอาอริยสัจข้อไหนมาพิจารณาแม้แต่คำว่าสมมตินั้นะพิจารณาริยสัจเนี่ยอริยสัจก็คืออะไรรูปนามขันธ์ห้า เอารูปเอารูปอะไรม า, มาพิจารณาดีรูปคือสีพิจารณาว่าอย่างไงนะเอสีบางอย่างมีกรรมเป็นสมุทฐานเออเธอเธอนะเป็น่ยนทงทำนังอื่นิวะ <c oughs> นะถ้าจิตไม่เบามันจะเป็นอย่างนั้นเลยแต่ถ้าจิตมันเบาปั๊บนะมองเรื่องกรรมปับ๊บมันจะสังเวชใจทันทีเลยมันจะพิจารณาอย่างถึงกรรมนะมันจะไม่พิจารณาแม้แต่กรรมเดียวมันจะพิจารณาทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมว่า กุศลกรรมเนี่ยผู้ที่ปฏิสัตยหรือผู้ที่มีผิวพันธุ์รูปร่างกายด้วยกุศลกรรมนั้นสีจะเป็นอย่างไรในกุศลกรรมเหล่านั้นถ้าอากุศลมาเบียดเบียนเนี่ยสีจะเป็นอย่างไรถ้าอากุศลให้ผลแล้วสีมันจะเป็นอย่างไรนี่มันจะตรึกเรื่องกรรมแล้วมันจะสังเวชใจมากขึ้นมากขึ้นแล้วจะพิจารณาแม้แต่จิตที่พิจารณาจิตเหล่านั้นก็เป็นกรรมอีกชนิดหนึ่งกรรมอ น, นี้มีผลอย่างไรต่อไปผลนั้นน่าปรารถนาไหม มันก็จะเริ่มใส่ใจถึงความไม่เป็นสาระของกรรมและผลของกรรมกุศลก็ไม่เที่ยงมแม้แต่ผลของกุศลเองก็น่าเบื่อนอ่ะฟังถึงตรงนี้แล้วเนี่ยทําให้คิดถึงอที่พระองค์คุลิมาที่ตอนที่ยังไม่บรรลุนี่นะฮะก็เกิดวิปัสสา น, <จ>นคิดถึงกรรมชั่วที่ทําไว้จนจิตพุ่งสัน่<จ>นเกิดก<อ>ุกุจจานี่ไหมออ แสดงว่าลาพังกำลังของของพระองคุรี ม, มาเนี่ยประโยค้ไม่ไม่ไหวไม่พอเจนพานต้องอาศัยประโยค้ของพระภูมิภาคเจนพานใช่เลยทําไมเห็นว่าเรื่องประโยค้ของใครนี่นะมีมีประโยค้ของผู้ที่มีปัญญากว่าสูงกว่าสามารถช่วยได้ช่วยได้เจนพานพันก็อ่า การเจริญกุศลธรรมเพื่อความเจริญงอกงามในผู้สนามีปัจจัยอยู่สองอย่างด้วยกันเหตุภายในกับเหตุภายนอกเหตุภายในก็คือโยนิโสมนัสิการะคือประโยชน์ประโยคะด้วยตัวเองเจนิญพก็คือหมายความว่าผู้นั้นเนี่ยจะต้องมีกําลังทางใจมากนะกําลังใจเนี่ยสูงมากกําลังใจในที่นี้มีกี่อย่างถ้าพูดถึงกําลังใจเนี่ยบาลีเขาแปลว่าอะไรกาลังแปลว่า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 ประโยค่ของบุคคลอื่นเนี่ยก็ยังสามารถช่วยให้อีกท่านหนึ่งมีประโยค่าที่ถูกต้องได้แต่แต่นั้นมิได้หมายความว่าไม่ได้ผู้นั้นไม่ได้ทําเหตุไว้นะคือตรงนี้เนี่ยเขาจึงเรียกว่าต้องเป็นบุรุษที่ควรฝึกได้นะเ <ừ. S 1> พราะผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ฝึกสารถีที่ควรฝึกนะต้องบอกว่าผู้ที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าไม่ใช่เอามากระจอกมากับโผลกระเพกมาให้พระองค์นะมันจะไปทําอะไร ตรงนี้ค่อนข้างที่จะซับซ้อนทั้งนิดหนึ่งนะครับถ้าผู้ใจศึกษาเรื่องกรรมหรือรับผลของกรรมเนี่ยนะแค่ประโยคค้าคำเดียวนี่น่าสนใจมากเพราะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นผู้เป็นกัลยาณมิตร ท, ที่ไม่มีกัลยาณมิตรอื่นยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคแล้วอั้นพระองค์เนี่ยสามารถที่จะช่วยเราได้แต่ในขณะเดียวกันต้องไปเราเนี่ยเป็นคนที่สมควรช่วยนะเพราะองค์พระองค์ไม่ไม่ช่วยเรี่ยราดอะ แม่งั้นนี่ช่วยเราไปเรียบร้อยแล้วเจริญวันฟันเขาต้องฟันคนทั่วไปต้องมีบุญอยู่แล้วเพราะองค์ช่วยเราได้ด้วยการเทศคําสอนฝากเอาไว้ตั้งสองพันกว่าปีนะ <c oughs> กว่าจะถึงเราได้อไปให้ตรงๆไม่รู้รับหรือเปล่าไม่ตอนนั้นน่ะ น, นะจะฟังผิวเผินกลายเป็นว่าให้คนอื่นมาช่วยเราโดยที่ไม่กลายเป็นพระเจ้าช่วยไปนะั้นไม่ใช่นะนี่ช่วยเพราะว่ามีเหตุมีปัจจัยจตัวเองได้ทําไว้อ่ะ พระ อ, องค์นั้นเป็นผู้ฝึกใช่ไหมจะฝึกคนที่สมควรฝึกได้นั่นแหละังั้นผู้ที่สมควรฝึกได้นั้นคนนั้นเนี่ยนะจะต้องเป็นหนึ่งอุคติตันยูบุคคลสองวิปจิตตันยูบุคคลสามนัยยะบุคคลเท่านั้นแหละพระ อ, องค์จึงจะช่วยให้เขาหลุดพ้นได้ส่วนบุคคลที่เหลือฟังเอาบุญไปก่อนนะไม่เป็นไรอ ย, อย่าเพิ่งเสียใจนะทาง น, น เธออาจจะบรรลุง่ายเมื่อปฏิสนที่ใหม่ๆว่างั้นแต่เป็นเทพปั๊บเนี่ยโหอาจจะสังเวชใจบรรลุเร็วขึ้นอย่างเงี้ยนะหรือไม่ก็เทวดาเขาอาจจะมาเตือนโอ้ยเมื่อก่อนเนี่ยศึกษาพระธรรมเอาจริงเอาจังมาวันนี้ปล่อยใจไปกับอากิเลตแล้วเลยเขาอา จ, จะเตือนกันอ า, อาจจะได้ดีก็ได้เขบาบอก